ถึงเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากูเวนนะคะเป็นเทพหรือยักษ์ที่ปรากฏอยู่ในทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์และมีผู้ที่นิยมกราบไหว้กันมากตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอาตานาติยะบอกว่าเท้ากุเวนก็เป็นหนึ่งในเท้าจตุมหาราชผู้ครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็คือสวรรค์กามาวาจรชั้นที่1 น, นะคะ เท้ากูเบนหรือเท้าเวสุวรรณนั้นยังมีอีกหลายชื่อเช่นชื่อที่ว่าธนบดีก็หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ท่นในสวรหมายถึงผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ชื่ออื่นๆก็คืออิจฉาวสุหมายถึงความมั่งมีได้ตามใจชื่อยักษราชอันหมายถึงเจ้าแห่งยักษ์หรือมยุราชก็หมายถึงเป็นเจ้าแห่งกินนอนค่ะชื่อราเกษตก็หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในพวกรากสระ ส่วนในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์นะคะก็บอกว่าเทาเวสวุวรรณชื่อเท้ากุเรปันนะคะ ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงอดีตชาติของเท้ากูเวนเอาไว้ในพระสุตรตันตปิดกทีฆนิกายปาติวักเล่มที่สาภาคสองหน้าที่151ค่ะบอกว่าในสมัยที่โลกยังว่างจากพระพุทธศาสนาไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนั้นมีพราหมู้หนึ่งนามว่ากูเวนเป็นคนใจดีมีเมตตาการุณาประกอบอาชีพสุจริต ด้วยการทำไร่อ้อยแล้วก็นำต้นอ้อยมาตัดใส่ลงไปในหีบยนต์เพื่อบีบน้ำอ้อยขายเลี้ยงชีวิตต่อมากิจการก็ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นเจ้าของหีบยนต์สามารถบีบน้ำอ้อยได้ถึง7เครื่องนะคะจึงสร้างที่พักสำหรับคนเดินทางแล้วก็ได้บริจาคน้ำอ้อยจากหีบยนต์เครื่องหนึ่งซึ่งมีปริมาณน้าอ้อยมากกว่าหีบยนเครื่องอื่นๆให้เป็นทานแก่คนที่เดินผ่านไปมาจนตลอดอายุขายของตัวท่านเองค่ะ และด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บริจาคน้าอ้อยให้เป็นทานนั้นก็เลยทำให้หนุ่มกูเวนผู้นี้ได้ไปเกิดเป็นเทพระบุตรบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีนามว่ากูเวนเทพระบุตรซึ่งต่อมากูเเวนเทพระบุตรก็ได้รับการเทวพิเศษเป็นผู้ปกครองแล้วก็ดูแลพระนครสวรรค์ชั้นที่หนึ่งด้านทิศเหนือจึงได้มีพระนามว่าท้าเวสุวรรณ ตามหลักฐานในคำพีทางพุทธศาสนายืนยันนะคะว่าเทาวเวสุวรรณผู้ซึ่งเป็นเทวราชพระองค์นี้ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเมื่อครั้งที่จุนสุพัทธะปริภาชก เกิดความสงสัยในความเป็นมาแห่งองค์พระพุทธเจ้าท่านเท้าเวสวร์องค์นี้นี่เองค่ะที่ได้เสด็จไปร่วมต้อนรับด้วยแล้วก็ยังเป็นประจักษ์พยานในเรื่องของพระมหาโมคคัลลานะใช้เท้าจิกพื้นไพรชยนต์วิมานของพระอินจนเกิดการสั่นสะเทือนไปทั้งสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองอันเป็นการเตือนสติพระอินท์อีกด้วยแล้วก็มีความเชื่อในริธฐานุภาพอันทรงฤทธิ์ของท่านตามดีกามาลายเทวสูตรพระสุตตะตันตะ สั่งยุตตนิกายสาขาถวัก เล่มที่1ภาคสองหน้าที่435นะคะบอกว่าค้าทาวุธของท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นยอดแห่งศาสตราวุธที่มีอนุภาพมากสามารถทำลายโลกใบนี้ให้เป็นจุนได้ในพริบตาจากคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจะเห็นได้นะคะว่าท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณนั้นท่านเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งมีหน้าที่คอยพิทักษ์พระพุทธศาสนาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าท่านท้าวสักกะเทวราชเลย เท้ากุเวนองค์นี้มีที่กล่าวถึงในอานาติยปริษนะคะว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามาเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะ แล้วก็ได้ถวายสัตว์ว่าจะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆของเท้าจตุโลกบาลไปรังควานเท้ากูเวนหรือท่านเท้าเวสุวรรณนั้นส่วนมา ก, กเราจะพบเห็นในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือกระบองหรือคาาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วยังมีรูปเคารพของท่านในท่านั่งของผู้ชายเนะเป็นมหาราชฎีลามีลักษณะอันโดดเด่นก็คือพระอุระพลุยอีก ด, ด้วย กล่าวกันก็คือว่าเป็นผู้ที่ผู้ที่มีอาชีพสั ป, ปเหร่ค่ะหรือว่าผู้ที่มีอาชีพประหารชีวิตนักโทษมักจะพกพารูปทาเวสุวรรณสำหรับคล้องคอเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยจากวิญ ญ, ญาณร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียน ในภายหลังภาพลักษณ์ของเท้ากูเวนที่ปรากฏในรูปของชายพุงพลุยเป็นที่เคารพนับถือในความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแต่ว่าเท้ากูเวนในรูปของท้าเวสุวรรณนั้นซึ่งมาในรูปของยักษ์เป็นที่เคารพนับถือค่ะว่าเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันพูดผีปีศาจสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มที่3หน้าที่1439ค่ะได้กล่าวถึงท้าเวสุวรรณ หรือว่าเท้ากุเวนนะคะบอกว่าเป็นพญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์มียักษ์และก็คุยฮากะก็คือยักษ์ผู้เฝ้าขุมทรัพย์เป็นบริวาร น, นะคะเท้ากุเวนนั้นบางทีก็เรียกว่าเท้าไวยสระวันส่วนภาษาธรมินนั้นนะคะเรียกเท้ากุเวนนะคะบอกว่ากุเปรัน ซึ่งมีเรื่องอยู่ในรามเกียร์ว่าเป็นพี่ต่างมรนดาของทศกัณฐ์ค่ะแล้วก็ทศกัณฐ์เนี่ยไปแย่งบุษบกของเท้ากุเวนไปเท้ากุเวนมีรูปร่างพิการผิวขาวมีฟันอยู่แค่8ปดซี่แล้วก็มีขา3ามขาภาพทาเวสวรรณก็เลยถูกมักจะเขียนเป็นท่ายืนแยงแยนะคะถือกระบองยาวอยู่ระหว่างขา เมืองของท้าวโกเเวนชื่ออลากาค่ะอยู่บนเขาฮิมาลัยแล้วก็มีส่วนอุทยานอยู่ไหลเขาแห่งหนึ่งของเขาพระสุเมนมีชื่อว่าสวนใจตระตะหรือว่ามนทะนะคะมีพวกกินนอนพวกคนทันเป็นผู้รับใช้ เท้ากุเวนเป็นโลกบาลประจำทิศเหนือเท้ากุเวนนี้นะคะท่านก็จะสถิตยอยู่เหนือเขายุคนทอนอีสาน ร, ราชธานีมีสะโกธานีใหญ่หนึ่งสะธรณีกว้าง50โยิบโยชน้ำเนี่ยดานดาดไปด้วยประทุมชาติแล้วก็คลาคล่ำไปด้วยหมู่สัตว์น้ำต่างพันขอบสะก็จะมีมนดบชื่อว่าพระคละวะดีนะคะกว้าง12โยชน์สหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็จะปกคลุมไปด้วยเครือเถาพระควะดีและดาวา ซึ่งมีดอกออกสพรั่งห้อยย้อยเป็นพวงพูงอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสมสรสถานของเหล่ายักษ์แล้วก็บริวานแล้วก็ยังมีนครสำหรับเป็นที่แปรด้วยค่ะสำหรับเทพพยสถานอีก10แห่งนะคะ ท้าวกเวนมียักษ์เป็นเสนาบดี32ตนยักษ์รักษาพระนคร12ตนยักษ์เฝ้าประตูนิเวศ12ตนยักษ์ที่เป็นทาตทั้งหมด9ตนค่ะนอกจากนี้ยังมีกล่าวว่าท้าวเวสสุวรรณยังมีกายสีเขียวสันฐานสูง2คาอ2คาวุธนะคะก็คือประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพาหานะก็จะเป็นช้างเป็นมา้ามีรถนะคะบางทีปราสาทอาพรมงกุฎประดับรูปนาค ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโกรธถือโลก่แก้วพระการมีห อ, อกเป็นทองนะคะท่านาเทวสวุวรรณเป็นหนึ่งในสเท้าจตุโลกบาลโดยมีเท้าทัตรดนะคะดูแลพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันออกเท้าวิรุณหดูแลรักษาพื้นที่อยู่ทางทิศใต้เท้าวิรูปกักดูแลรักษาพื้นที่ทางทิศตะวันตกและเท้าเวสวุวรรณรักษาพื้นที่อยู่ทางทิศเหนือ โดยทั้ง4ี่ทิศค่ะมีสี่ท่านที่ดูแลรักษาแล้วก็แบ่งหน้าที่กันปกครองทั้งเหล่าคนทันกิ น, นรีกินนอนกุมภกร น, นาคเทวดาแล้วก็ยักษ์นะคะอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาในส่วนของท้าวเวสสุวรรณท่านจะปกครองเหล่าอสูรแล้วก็ยักษ์ตลอดจนพูดผีปีศาจทั้งหลายซึ่งตามตำนานค่ะกล่าวแรกก็เริ่มบอกว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยปกครองอยู่ที่เมืองลงกาต่อมาได้ถูกทศกัณมยึดแล้วก็ขับ ไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นพร้อมทั้งแย่งบุตรบกบุตรบกบก็คือของวิเศษที่พระพรหมมอบให้ไปครอบครองนะคะอีกทั้งทเทวสวุวรรณเนี่ยได้มาสร้างเมืองใหม่อยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาโดยท่านเองก็มีหน้าที่ดูแลแล้วก็ปกครองเหล่าอสูรแล้วก็ยักษ์ตลอดจนถึงพูดผีปีศาจ ท, ทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าบัญชีพระการใหญ่ท่านทาเทวสวุวรรณท่านเป็นยักษ์ที่ใจบุญค่ะอีกทั้งยังให้ความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ในสมัยพุทธกาลกล่าวว่ามีภิกษุสงฆ์สา ม, มเณรที่ออกเดินทุดงไปตามป่าเขาลำนาพรายเพื่อสแสวงหาโมคธรรมมีพระภิกษุสงฆ์บางรูปที่ยังไม่ได้สำเร็จอภินยาก็มักจะโดนพวกบรรดาพูดผีวิญญาณหลอกหลอนไม่เป็นอันได้ปฏิบัติกิจของสง์ ก็คือการเจริญสมาธิกรรมฐานเพื่อชำระจิตใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ท่านทาวเวสสวรรค์ได้เสด็จลงมาจากเทวโลกเพื่อมากราบนมัส ก, การสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถวายมนพานยักษ์ให้ไว้เพื่อเป็นมนป้องกันค่ะเวลาพระภิกษุสามเณรที่ออกเดินธุดงค์ตามป่าเขาอาจจะถูกพวกบรรดาพูดผีพีศารยักษ์เทวดาที่เป็นวิญญาณมิจฉาทิฐิหลอกหลอนซึ่งมนทานยักษ์บทนี้เนี่ย ยังนำมาใช้สวดกันอยู่จนปัจจุบันนะคะโดยการสวดมนต์พันยักษ์บทนี้จะทำเป็นพิธีการยิ่งใหญ่ทุกวัดมักจะจัดให้มีการสวดพันยักษ์นี้ขึ้นเชื่อกันว่าใครที่ถูกคุณถูกของหรือว่าโดนผีเข้าเจ้าสิงเมื่อเข้าไปในบริเวณพิธีสวดพันยักษ์สิ่งอัปมงคลต่างๆที่มีอยู่ในตัวก็จะหมดไปด้วยมนต์พันยักษ์อันวิเศษบทนี้ และนอกจากนั้นค่ะทาวเวสสุวรรณยังเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยสัญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐีในหนังสือเทวะกําเนิดของพระยาสัจจาพิรมค่ะได้ระบุชื่อทาวเวสสุวรรณล้วนมุ่งหมายทางมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นท้าวรัตนคัตก็คือผู้มีเพชรเต็มพุงค่ะท้าวกุเวสธนบดีผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ท้าวธนสวนเจ้าทรัพย์องค์อิชาวสุ ผู้มั่งมีได้ตามใจทาวเวสสุวรรณผู้ยิ่งด้วยทอง หรือแม้แต่ชาวจีนนะคะก็ยังคงยกย่องทเทวีสุวรรณบอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและก็ความร่ํารวยในนามองค์ไฉซิงเอียค่ะซึ่งมีบูชากันทุกบ้านความร่ํารวยทุกคนขับไล่พูดผีปิศาว์วิญญาณร้ายแก้เสนียดอัปมงคลคุณใสต่างๆหากท่านผู้ใดบูชาท่านทาเวีสุวรรณด้วยความเคารพศรัทธาจงเชื่อได้เลยว่าท่านจะประสบความสําเร็จมีความโชคดีมีทรัพย์ตลอดจนพ้นจากบรรดาพู้ผีปิศาต์ทั้ง ในคำพีโบราณได้กล่าวว้ายว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูปเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากูเวนค่ะ ตามวัดวาอารามต่างๆนั้นจะมีรูปปั้นยักษ์1ตนหรือ2ตนบ้างคอยยืนถือกระบองค้าพื้นส่วนมากจะมีสองตนค่ะเฝ้าอยู่หน้าประตูโบสถ์หรือวิหารที่เก็บของมีค่าทางพระพุทธศาสนาอันได้แก่พระพุทธรูปและโบราณสมบัติล้ำค่าของทางวัดบรรจุอยู่ด้านละ1ตนหรือไม่ก็ปรากฏอยู่ในบริเวณลานวัดหรือที่ที่มีคนผ่านไปมาแล้วเห็นโดยง่ายนั่นก็หมายถึงเววสุวรรณนั่นเองค่ะ เท้าวเวสุวรรณถูกสร้างเป็นรูปเคารพมานานนักหนาแม้ในกำแพงวัดพระแก้วก็ยังปรากฏรูปปั้นขนาดใหญ่ของเท้าวเวสุวรรณเฝ้าดูประตูอยู่แต่ถ้าพูดถึงเท้าวเวสุวรรณในรูปพระเครื่องละก็ต้องยกให้ของท่านเจ้าคุณศรีสัจจยานมุนีหรือหลวงพ่อสนยติทโรวัดสุทัศเทพวราราม ท้ากุเณนท่านเจ้าคุณสีเป็นรูปหล่อลอยองค์เนื้อทองผสมปรากฏฤทธานุภาพทางปราบผีเข้าเจ้าสิงมาตลอดมากต่อมากนะคะครั้งขนาดที่พกใส่กระเป๋าเสื้อเดินเข้าหาคนที่ผีสิงผีก็ร้องหวยหวนตาลีตาลานแทบจะหนีไม่ทันโดยไม่ต้องอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมักให้เมื่อยโอด หรือจะเป็นของวัดเกตตุมดีศรีวรารามจังหวัดสมุทรสาครค่ะนี่ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่นิยมสร้างรูปรเคารพเทวสุวรรณมีทุกรูปแบบตั้งแต่รูปหล่อบูชาพายานพระผงพระโลหะหรือแม้แต่แหนบติดกระเป๋าเสื้อก็มีค่ะเรียกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวใครกลัวผีไปที่นั่นไม่ผิดหวังนะคะหลวงปู่ ง, ง้นโซรโยแห่งวัดพระพุทธบาทเขา่วกพิจิต อดีตพระอริยะพระผู้เท่าผู้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เท่าเป็นอีกองค์หนึ่งที่นิยมสร้างรูปทเทวสวรรไม่ใช่เพิ่งมหิตสร้างเอาปีสองปีมานี้ท่านสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ทำเสร็จก็เอาไปบรรจุไว้ตามหลุมลูกนิมิตบ้างเจดีย์บ้างในวัดและสถานที่สำคัญทั่วประเทศ ครั้งตอนสร้างเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านค่ะหลวงปู่โงนเองก็นำเอาผงพระว่านรูปเทาเวสุวรรณขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชาชนานีให้ทรงบรรจุไว้ใต้เสาหลักเมืองเหลือจากนั้นก็แจกให้กับทหารตํารวจข้าราชการและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะทหารรับแล้วไปรบกับผู้ก่อการร้ายจนชนะราบคาบมาได้นอกจากฝีมือแล้วก็ยังเป็นเพราะว่ามีกําลังใจส่วนหนึ่งจากทาเวส สุวรรณด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะมีความเชื่อว่ามีปัญหาในการใช้ชีวิตซึ่งมีความติดขัดในหลายประการแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นให้ท่านบนต่อสารเท้าเวสวรรณโดยทำดังนี้นะคะ ให้อาบน้ำแต่งกายให้สะอาดจากนั้นเข้าห้องพระสมถทานศีลห้าก็สวดมนต์ตามที่เคยสวดพอสบายใจแล้วก็ให้ท่านเตรียมธูปสีแดงมาเก้าดอกแต่อย่าเพิ่งจุดนะคะให้จุดตอนบนเสร็จหลังจากนั้นก็ตั้ง น, นโมสามจบจากนั้นก็สวดคาถาบูช า, ทาเทวสุวรรณที่ท่องว่าอุตตรันจะที่สังราชากุเวโรตังปะสาสติยกขานันจะอธิ ป, ปติ มหาราชายะสัส์สิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทะนามามหพภะลากุเวโรสหะปุตเตหิสทาโตถิงกะโรตุโน จากนั้นก็บนด้วยการทำตามนี้นะคะถ้าเป็นการบนเรื่องงานให้ท่านบนด้วยสังฆทาน1ชุดในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ1คู่อาสนะสงหนึ่งผืนถ้าบนเรื่องของการเงินนะคะให้ท่านบนด้วยสังฆทาน1ชุดแล้วก็ชำระหนี้สง30บาทถ้าบนเรื่องความรักแล้วก็ครอบครัวค่ะให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบสีแดงบูชาพระที่วัดไหนก็ได้9าดอกแล้วก็ถือศีล83วัน3ามคืน ถ้าบนเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะให้บนด้วยการถวายหนังสือมนพิธี10เล่มจะเป็นวัดไหนก็ได้แล้วก็ปล่อยปลาอีก10ตัวบนเรื่องการเรียนให้บนด้วยการถวายหนังสือมนพิธีวัดไหนก็ได้5เล่มถ้าบนเรื่องสอบบรรจุสอบเข้าทำงานแล้วก็เลื่อนตำแหน่งโยกย้ายให้บนด้วยสังฆทาน1ชุดแล้วก็เก้าอี้หนึ่งตัวค่ะ พอบนเสร็จแล้วก็ให้อธิษฐานนะคะบอกว่าลูกขอพึ่งบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และท่านท้าวเวสสุวรรณพร้อมทั้งบริวารขอให้เรื่องก็กล่าวถึงเรื่องที่คุณผู้ฟังต้องการที่จะบนบานสารกล่าวนะคะแล้วก็บอกว่าลูกขอบนท่านด้วย อะไรก็ว่ากันไปนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักก็เหมือนที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่เมื่อได้ผลลูกจะทำกุศลถวายให้จากนั้น เมื่อท่านบนุเสร็จก็นําธูปสีแดงเก้าดอกนั้นไปจุดกลางแจ้งบนดาดฟ้าหรือที่ไหนก็ได้ค่ะนอกอาคารที่ไม่มีหลังคาปกคลุมไม่ว่าจะเป็นข้าวของทุกชนิดในการบนแต่ละอย่างเมื่อท่านได้ดังปรารถนาแล้วก็ให้ไปทําบุญถวายวัดไหนก็ได้ที่เป็นวัดในาศาสนาพุทธแล้วก็อุทิศกุศลถวายาเทวสุวรรณและบริวารที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกําหนดการคือไม่เกิน3เดือนเมื่อเห็นผลค่ะการถือศีลแปถือที่ไหนก็ได้ขอให้ถือครบในตัวศีลเป็นพอ การบนก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมท่านจะสำเร็จดังใจปรารถนานะคะถ้าพูดถึงยักษ์นะคะหลายๆคนก็คงจะนึกภาพว่ายักษ์ก็คือจะมีรูปร่างใหญ่ๆแล้วก็มีเขี้ยวนะคะยักษ์เป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งค่ะก็มีการกล่าวถึงทั้งในทงางศาสนาแล้วก็วรรณคดีเป็นความเชื่อของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากาศาสนาพราหมณ์แล้วก็าศาสนาพุทธค่ะโดยเชื่อว่ายักษ์นี่จะมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับบุญบารมียักษ์ชั้นสูงจะมีวิมานเป็นทองมีรูปร่างสวยงามซึ่งปกตินะคะจะไม่เห็นเขี้ยวเวลาโกรธจึงจะมีเขี้ยวงอกออกมายักษ์ชั้นกลางส่วนใหญ่จะเป็นบริวารของยักษ์ชั้นสูงส่วนยักษ์ชั้นต่าที่บุญน้อยก็จะมีรูปร่างหน้ากลัวผมหยิก ต, ตัวดาผิวหยาบแล้วก็นิสัยดุร้าย ซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าในวัดวาอารามต่างๆเนี่ยมักจะมียักษ์มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวัดหรือว่าโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นยักษ์แบกเจดีย์ในวัดพระแก้วรูปปั้นยักษ์แบกองค์พระปรางที่วัดอรุณหรือว่ายักษ์วัดโพซึ่งตามตำนานค่ะเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เทศสั่งสอนยักษ์ให้ลดทิฐิมานะเมื่อยักษ์ได้ฟังแล้วก็เข้าใจในพระธรรมก็เลยได้กลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์ข้ําชูพระพุทธศาสนา หรือว่าอีกในหนึ่งนะคะก็คือเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองสถูปสถานและอาคารศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วก็จะเินรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับยักษ์นะคะซึ่งเป็นนิทานตำนานโบราณเล่าต่อกันมาบอกว่าเป็นเรื่องราวของยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพซึ่งเกี่ยวพนันกันกับชื่อของย่านท่าเตียนค่ะที่บอกว่ายักษ์วัดโพเนี่ยทำหน้าที่ดูแลวัดโพยักษ์วัดแจ้งก็ทำหน้าที่ดูแลวัดแจ้งหรือวัดอรุณ ฝั่งตรงข้ามกันนั้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทางยักษ์ฝ่ายวัดโพเนี่ยไม่มีเงินก็เลยข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งแต่แล้วกลับเบี้ยวไม่ยอมจ่ายนี้อ่ะยักษ์วัดแจ้งก็เลยตัดสินใจข้ามแม่น้ําเจ้าพรยามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพไม่ยอมให้ในที่สุดยักษ์ทั้งสองวัดเนี่ยก็เลยทะเลาะกันตีกันนะคะเพราะว่ารูปร่างใหญ่โตขนาดเมื่อื่มาแล้วก็มีกําลังมหาศาลเมื่อต่อสู้กัน ก็เลยทำให้ต้นไม้ในบริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเนี่ยเหยียบย่าจนล้มตายเรียบกลายเป็นสถานที่โล่งเตียนไปหมดครั้นเมื่อพระอิศวรได้ทราบก็เลยลงโทษให้โดยการสาบให้ยักษ์เหล่านั้นกลายเป็นหินแล้วก็ให้ยักษ์วัดโพทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถ ยักษ์วัดแจ้งเนี่ยยืนเฝ้าหน้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาแล้วก็อิทธิฤทธิจากการสู้รบของยักษ์ทั้งคู่ทําให้ละแวกนั้นราบเรียบเป็นหน้ากลองก็เลยได้ชื่อว่าท่าเตียนมาจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละค่ะนอกจากเรื่องของยักษ์ท่าเตียนยักษ์ก็ยังปรากฏในตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดอุดรธานีนะคะโดยเป็นรูปของท้าเวสวร์หรือว่าเท้ากูเวนผู้เป็นใหญ่ในหมู่ยักษ์ค่ะ ซึ่งมีความหมายเป็นไนยะว่าเป็นเทพพ ย, ยดาผู้ที่คุ้มครองนะคะประจําทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรท่านเทวเวสวร์นอง์นี้มีเรื่องเล่าแล้วก็มีตํานานกล่าวนะคะว่าท่านได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาถวายสัตว์ที่จะดูแลองค์พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยกักหรือว่าบริวารอื่นๆของเท้าจตุโลกบาลไปรังควาน แล้วก็ได้ถวายพระคาถาชินนบัญชรเพื่อเป็นคาถาปกป้องสำหรับพระที่ทุดงออกป่าไว้กันเหล่าพูดผีปีศาจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทสวดมนต์นะคะที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมสวดในปัจจุบันนอกจากนั้นคนไทยโบราณก็จะนำผ้ายันรูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กหรือว่านำมาบูชาไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานนั่นเองค่ะ อีกสถานที่นึงก็คือวัดคงคาวัดย่านบางใหญ่จังหวัดนนท บ, บุรีก็ได้มีรูปปั้นขององค์พ่อเวสุวรรณแล้วก็พระวิรุฬปักซึ่งเป็นรูปปั้นยักษ์ยืนประดับอยู่ที่วัดแห่งนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นที่เคารพ บ, บูชาของชาวบ้านละแวกนั้นแล้วก็มีความเชื่อนะคะว่าหากใครได้กราบไหว้ก็จะมีความร่ารวยมั่งคัง่งโดยในคำผีโบราณได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชาทาวเวสวรรณโดยชาวบ้านที่ค้าขายอยู่ในบริเวณวัดนะคะได้เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าได้มีคนมาบนบานสารกล่าวแล้วก็สมปรารถนากาันเป็นประจำโดยส่วนมากจะบนเป็นเบียร์แล้วก็เป็นพวงมาลายัยแล้วก็ไม่ควรเรียกท่านว่ายักษ์เพราะว่าท่านมีชื่อนะคะชาวบ้านระแวกนั้นจะเรียกท่านว่าทาวเวสุวรรณและพระวิรุฬปกักจะไม่นิยมเรียกว่ารูปปั้นยักษ์นะคะ ในการสการะาเวสุวรรณนั้นก่อนท่องคาถาให้จุดธูป9้าดอกแล้วก็ถวายดอกกุหลาบเก้าดอกตั้งนโมสามจบก็ระลึกถึงคุณบิาดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสิทธิวิชามาให้แล้วก็ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ท่องคาถาบูชาาเวสุวรรณบอกว่าอิติปิโสภัควายมราชโนเวสุวรรณโนมรนังสุ ข, ขังอารหังสุ ข, ขะโตนโมพุทธายะ ทเทวสุวรนโนจาตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทธปุริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธทเทวสุวรนโนนะโมพุทธายะจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของยักษ์นั้นเป็นทั้งเรื่องเล่าและตำนานที่ผูกพันกับคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตการเป็นทั้งผู้พิทักค้้มจุนพระพุทธศาสนาหรือจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวของใครหลายคนแต่หากว่าจะเปรียบกับจิตใจของคนที่คิดแต่ในแง่ลบ ซ่องแต่จะเอารัดเอาเปรียบแล้วก็คอยทำร้ายคนเหล่านั้นก็อาจจะน่ากลัวกว่ายักษ์อีกก็เป็นได้ค่ะหมดเวลาของ B ีในวันนี้แล้วนะคะพบเจอกันใหม่ในตอนต่อไปกับช n n น l พระเจอผีเรื่องเล่าตำนานทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้คุณผู้ฟังยืนอยู่บนความเชื่อที่เป็นความจริงศรัทธาได้แต่ว่าไม่แนะนำให้งมงายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ